บทที่สิบสองชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะการเกิดพบใหม่ก็อให้เกิดทุกข์บทบาทของกรรมในห่วงโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทกล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อความว่าสังขาราปัจจยาวิญญานังเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีปฏิสนธิวิญญาณซึ่งได้อธิบายแล้วโดยละเอียด บุคคลที่ใกล้าตายได้ยึดหน่วงเอากรรมกรรมนิมิตและคตินิมิตมาปรากฏให้เห็นในขณะใกล้าตายเป็นอารมณ์และเมื่อสิ้นใจอารมณ์ที่ยึดหน่วงไว้นั้นได้ปรุงแต่งปฏิสนธิวิญญาณให้เกิดขึ้นในขณะนั้นยังมีกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเกิดร่วมกับปฏิสนธิวิญญาณ การเกิดขึ้นของนามรูปเป็นเบื้องแรกในพบใหม่นี้เรียกว่าชาติการเกิดพบใหม่การกระทบสัมผัสกับลาวอารมณ์ต่างๆนั้นย่อมก่อให้เกิดเวทนาความรู้สึกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดตัณหาความทยานอยากความรู้สึกพอใจก่อให้เกิดความผูกพันกับอารมณ์ที่ดี แต่ความรู้สึกไม่พอใจย่อมส่งผลให้เราปรารถนาอารมณ์อื่นที่ดีกว่าเมื่อความปรารถนาะพัฒนาเพิ่มขึ้นก็พัฒนาความทยานอยากที่รุนแรงหรืออุปทานที่ส่งผลให้บุคคลพยายามกระทำกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ที่ต้องการนั้นบุคคลกระทำกรรมดีและชั่วด้วยความหวังที่จะสนองความต้องการของตนนี่คือกรรมพบ ที่เกิดจากตัณหาและเป็นเหตุให้ปฏิสนธิในพบใหม่การเกิดใหม่ย่อมประกอบด้วยความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นการเกิดใหม่ในพบใดก็ตามความทุกข์ในสัตว์ดิรฉานหรือในทุกขคติภูมิอื่นคงไม่จําเป็นจะต้องกล่าวถึงเพราะในมนุษยยภูมิเองก็เต็มไปด้วยความทุกข์ยากลําบากซึ่งเป็นความจริงของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ บุคคลประสบพบกับความทุกข์ตั้งแต่ขณะที่อยู่ในคันมารดาเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องขวนขวายทำงานเพื่อเลี้ยงชีวิตบางครั้งถูกกลั่นแกล้งว่าใส่ร้ายจากคนพาลหรือจากผู้ปกครองที่เป็นผดเด็จการซึ่งจะสามารถหลีกเลี่ยงความทุกข์ที่เนื่องด้วยการดำรงชีพได้แต่ก็ต้องอยังเผชิญกับความแก่ความเจ็บ และความตายซึ่งเป็นความทุกข์ที่รอคอยเราอยู่นับแต่เกิดมาเมื่อบุคคลปฏิสนธิในภพใหม่ก็ย่อมเดินทางเข้าใกล้ความแก่ความเจ็บและความตายอยู่ทุกๆขณะถึงแม้จะเป็นผู้มีชีวิตที่สุขสบายปราศจากความทุกข์ยากวิตกกังวลแต่รูปนามค่องเข้าย่อมแก่และเสื่อมไปในทุกขณะ มีนิทานอินเดียเรื่องหนึ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ชัดเจนเรื่องมีอยู่ว่าชายคนหนึ่งในเมืองสาวัตถีกลัวความแก่จึงหอกขึ้นไปซ่อนอยู่บนท้องฟ้าโดยอมตะธาตุศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาทรอยู่ในปากชายคนที่สองหนีจากความเจ็บและความตายด้วยการซ่อนตัวในทะเลส่วนชายคนที่สามหนีไปซ่อนอยู่ในถ้ำบนยอดเขาหิ ม, มาพาน เมื่อบุตรของพวกเขาได้พากันเที่ยวตามหาบิดาของตนจนได้พบชายคนแรกกลายเป็นชายชราแก่งงอมหน้าเกลียดชายคนที่สองเจ็บหนักใกล้ตายส่วนคนที่สามนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ในคัมภีร์ธรรมบทว่าไม่มีที่ใดในท้องฟ้าบนพื้นดินหรือในมหาสมุทร ที่บุคคลจะหนีความตายไปได้ความเศร้าโศกความตายและอันตรายของชีวิตคือความเศร้าโศกและความคล่ําครวญเป็นต้นเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตราบที่ยังมีการเกิดใหม่ในภพที่มีรูปนามซึ่งเสื่อมสิ้นตลอดเวลา การเกิดใหม่ ย, ย่อมนำไปสู่ความโศกเศร้ากังวลความคลั่มครวญความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจเมื่อยติสนิท ต, ตายไปเราย่อมเศร้าโศกถ้าบุคคลสูญเสียไปเป็นมารดาบิดาหรือเป็นสามีภรรยาอันเป็นผู้ที่ยึดถือพึ่งพิงหรือเป็นบุตรทีดาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา ความเสียใจก็ยิ่งมีมากท่วมทน้นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกอีกประการหนึ่งก็คือการสูญเสียทรัพย์สมบัติจากภัยต่างๆเช่นผู้ปกครองประเทศโจนผู้ร้ายอัคีภัยอุทกภัยและทายาทที่พลานาทรัพย์ความเศร้าโศกอาจเกิดจากการมีโรคภัยเบียดเบียนและสุขภาพที่เสื่อมโทรมลง ผู้ป่วยบางคนมีอาการซึมเศร้าเพราะความเจ็บป่วยของตนจนกระทั่งเป็นอุปสรรคต่อการเยียวยาในกรณีของภิกษุหรือครว่าที่รักษาศีลอย่างเคร่งครัดก็จะมีความกังวลว่าศีนของตนจะด่างพร้อยดังเช่นฤาษี อ, ส, อสิสิง้ะที่เป็นทุก์ใหญ่หลวงเมื่อท่านละเมิดศีนเพราะถูกเทพธิดายวยวน และผู้ที่กระทําผิดเพราะหลงเชื่อคําสอนของครูอาจารย์ที่มีมิจฉาทิฏฐิย่อมต้องทุกข์ใจด้วยความสำนึกผิดนอกจากนั้นยังมีภัยพิบัติต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตเช่นอุบัติเหตุหรือโจรปล้นเป็นต้นตลอดจนความลำบากในการหาเลี้ยงชีพการแสวงหาสิ่งจำเป็นในชีวิตที่เป็นเหตุให้เกิดความเศร้าโศกเช่นเดียวกัน สรุปความว่าได้ว่าความโศกมีเหตุเกิดมาจากความวิบัติของญาติความวิบัติของทรัพย์ความวิบัติของโรคความวิบัติของศีลความวิบัติของทิฏฐิและอุบัติภัยอื่นๆความกล้าคกรวน ผู้ที่เกิดความเศร้าโศกแล้วมีอาสกดกลั่นไว้ได้ย่อมร้องไห้กลั่มครวนออกมาส่วนใหญ่มาเกิดกับสตรีที่มีจิตใจอ่อนแอมากกว่าบุรุษอย่างไรก็ตามน้ำตาของเหล่าสัตว์ที่ร้องไห้กลั่มครวนเพราะสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักนั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกจึงเป็นที่ประจักษ์ว่า ความคล่ำครวนของหลาวสัตว์เป็นทุกข์เพียงใดความทุกข์กายความทุกข์กายของมนุษย์เป็นการประสบพบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเช่นถูกน้ำตามสะดุดตอไม้ถูกไฟไหม้ถูกเคี่ยนตีหรือป่วยไข้ ส่วนสัตว์นรกมักได้รับความทุกข์กายตลอดเวลาไม่เว้นแม้แต่วินาทีเดียวโดยถูกไฟเผาบ้างถูกทารุณกรรมจากนายนิรยาบาลบ้างเป็นต้นมมเปรตบางจำพวกก็ถูกไฟเผาเหมือนสัตว์นรกบ้างถูกตอกด้วยเหล็กแหลมหรือถูกเข็มทิ่มแทงหรือถูกฝูงแรงกาจิกตีอยู่ตลอดเวลา บางก็อดอยากหิวโหยโดยไม่เคยได้ดื่มกินมาก่อนตั้งแต่เกิดเป็นเปรตส่วนสัตว์เดรัจฉานต่างๆเช่นวัวควายมา้าลาเป็นต้นต้องลำบากในการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยบางคราวต้องถูกเคี่ยนตีหรือต้องทนหิวกระหายเป็นเวลานานสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีเจ้าของต้องทนลำบากมากกว่านั้นเสียอีก ความทุกข์ใจเหล่ามนุษย์นั้นต้องได้รับความทุกข์ทางใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาในขณะที่รูปที่ไม่อยากเห็นได้ยินเสียงพูดตาหนิที่ไม่อยากได้ยินได้รับกลิ่นเหม็นลิ้มรสที่ไม่ถูกปากหรือกระทบสัมผัสสิ่งที่ไม่ถูกใจย่อมเกิดความทุกข์ใจทั้งนี้เพราะเรามีจิตวิญญาณนั่นเองดังนั้น เมื่อเราได้รับทุกข์ทางกายแล้วยังเป็นทุกข์ทางใจซ้ำอีกจึงเกิดความทุกข์สองชั้นเรียกว่าเจ็บทั้งกายและใจเหมือนการนำเอาลูกศร อ, อีกอันหนึ่งมาบ่งลูกศรที่ถูกยิงอยู่ก่อนแล้วลูกศร น, นั้นหักทิ่มฝังลงย่อมทำให้เกิดความทุกข์สองชั้นปุถุชนทั่วไปมักจะเป็นทุกข์เมื่อคิดไปถึงความเดือดร้อน หรือความลำบากที่ตนเคยได้ประสบมาในอดีตกำลังประสบอยู่หรือจะประสบในอนาคตเขาจะรู้สึกแค้นเคืองและขมขื่นทุกครั้งเมื่อตนเองต้องตกอยู่ในที่นั่งลำบากหรือพบความหายนะแต่พระอรหันต์หรือพระอนาคามีที่ขจัดโทสะได้หมดสิ้นแล้วย่อมมีความเดือดร้อนใจ เมื่อประสบกับความทุกข์ทางกายดังเช่นผู้ปฏิบัติธรรมที่เจริญสติกำหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันย่อมเป็นอิสระจากความหลงผิดว่ามีอัตตาตัวตนซึ่งเป็นเหตุให้ทุกข์ใจระห่วงใยสงสารตนอันที่จริงแล้วความทุกข์ทั้งหลายที่มีรากเหง้ามาจากการเกิดทั้งสิ้น มีชีวิตแท้นั้นจริงมีแต่ความทุกข์ปราศจากตัวตนหรือหากมีตัวตนที่เป็นผู้สเสวยสุขก็ไม่มีสิ่งใดที่น่าเพลิดเพลินยินดีได้อย่างแท้จริงเพราะเหตุนั้นจึงควรระลึกถึงคําสอนของพระพุทธองค์ที่ให้กำหนดรู้ทุกขเวทนาเมื่อประสบกับความทุกข์ตามหลักปฏิจจสมุปบาทนั้น สิ่งที่เชื่อมโยงพบใหม่ไว้กับอีกพบหนึ่งก็คือความสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุและผลนั่นคือตัณหาและกรรมเป็นต้นที่มีอวิชชาเป็นปัใจจัยในพบก่อนเป็นเหตุให้เกิดผลห้าอย่างคือวิญญาณนามรูปอยตนาผัสสะและเวทนาในพบต่อไปซึ่งเริ่มต้นด้วยการเกิด และตามมาด้วยความแก่ความทุกข์กายความทุกข์ใจต่างๆในถ้มกลางและจบลงด้วยความตายคำสอนของพระบรมศาสดาจะไม่น่าสนใจสำหรับปุถุชนที่มีความหลงผิดว่าชีวิตเป็นสุขมีตัวตนหากแต่ความทุกข์และความไม่มีตัวตนของชีวิตเป็นความจริงที่ไม่อาจโต้แย้งได้ ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่ในเทวโลกเทวดาบางพวกที่สถิตอยู่บนพื้นดินมีความเป็นอยู่ที่ต้องกระเสือกกระสนเพื่อความเป็นอยู่และลำบากมากยิ่งกว่าพวกมนุษย์เสียอีกเทวดาชั้นต่ำนี้เรียกว่าวินิปาติกะซึ่งหมายรวมถึงพูดผีปีศาจเป็นต้นเทวดาบางเหล่าที่สถิตอยู่บนสวรรค์ก็ไม่มีความสุข เพราะไม่มีวิมานสวยงามและมีบริวาร น, น้อยแม้แต่ท้าศ ก, กะเทวราชผู้เป็นใหญ่ในหมู่เทวดาก็ยังยอมรับกับพระมหากะสปะเทระว่าพระองค์มีรัศมีด้อยกว่าเทวดาอื่นๆเพราะกุศ ล, ลกรรมที่ชักนำให้มาอุบัติในเทวโลกนั้นเป็นกุศ ล, ลกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองค์จึงคอยหลีกลี่ยงเมื่อเห็นเทวดาอื่นที่มีรัศมีรุ่งเรืองกว่าพระองค์ซึ่งมีนามว่าจุลธามหารธาและอเนกวันณะเป็นต้นเนื่องจากได้ประกอบกุศ ล, ลกรรมในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ดังนั้นท้าส ก, กะเทวราชจึงไม่ได้มีความสุขอยู่ตลอดเวลา และบรรดาเทพธิดาบริวารของพระองค์ก็ได้กราบเรียนถามพระเถระเช่นเดียวกันว่าพวกตนพบกับความทุกข์เพราะไม่อาจเทียบได้กับพระชายาที่มีบุญญาลิศสูงส่งกว่าจึงต้องอยู่ห่างไกลาจากพระอินเพราะมีบุญญาลิศน้อยไม่สามารถเข้าใกล้ได้เมื่อมีเทพธิดาที่มีบุญญาลิศมากกว่าอยู่ใกล้ เทพบุตรบางตนเป็นทุกข์เมื่อเห็นสัญญาณซึ่งบอกการสิ้นอายุขัยของตนซึ่งเรียกว่าบุพนิมิตมีห้าอย่างคือทิพยาภูษาเศร้าหมองทิพยามาลาเหี่ยวแห้งพระเศโทไหลออกจากพระกัตชะความมีผิวพรรณเศร้าหมองปรากฏในสริระความเบื่อหน่ายในทิพยาอาจ เทวดาบางตนอาจจุติอย่างกระทันหันในขณะที่เพลิดเพลินอยู่กับการเสวยทิพยสุขซึ่งคล้ายกับการตายอย่างกระทันหันของมนุษย์ด้วยโรคเส้นโลหิตในสมองแตกความตายอาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเหมือนเปลวเทียนที่ดับไปดังสาธกในเรื่องของสุพรหมเทพบุตร เรื่องสุพรมเท พ, พบุตรสุพรมเท พ, พบุตรมีนางเทพอับศรจำนวนหนึ่งพันนางเป็นบริวารขณะที่กําลังเล่นเพลินอยู่ในอุทยานนางเทพอับศรห้าร้อ น, นางได้จุติและไปเกิดในนรกเท้าเธอเห็นพวกนางเสวยทุกข์อยู่ในนรกและทรงทราบล่วงหน้าว่าพระองค์เองก็จะจุติไปบังเกิดในนรกเช่นเดียวกันจึงทรงหวาดหวั่นยิ่ง จึงพานางเทพอับสอนบริวารที่เหลือไปเข้าเฝ้าพระศาสดาทูลขอให้พระองค์ตรัสบอกสถานที่ที่ปราศจากความกลัวพระพุทธองค์ตรัส ต, ตอบว่าไม่ทรงเห็นวิธีอื่นใดที่จะช่วยสัตว์โลกให้พ้นจากภัยได้นอกจากการบำเพ็ญโพธ์ชงทาอันเป็นเครื่องตรัสรู้คือสติปัฏฐานสี่เป็นต้น ทุดดงการปฏิบัติเพื่อขัดกลาวกิเลสและส ม, มัคประธานความเพียรชอบซึ่งจะทำหน้าที่ดับตัณหาตลอดจนอินทริยะสังวรศีลการสํารวมอินทรีเพื่อระวังไม่ให้เกิดกิเลสและนิพพานซึ่งหมายถึงการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างคือความดับรูปนามทั้งสิ้น เมื่อได้สดับพระธรรมเทศนานี้สุพรหมเท พ, พบุตรและบริวารได้บรรลุโสดาปติผลแต่สิ่งที่เราควรสำเนียกไว้ก็คือการจุติอย่างกระทันหันของเหล่าเทพอับซรเพราะกะติของผู้จุติในขณะกำลังแสวงหาความเพลิดเพลินอยู่นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเนื่องจากมันจะตกไปสู่นรกเพราะผลของอกุศลชวนะ และหากผู้ใกล้ตายได้เห็นสัญญาณของความตายที่ใกล้เข้ามาก็จะยิ่งตกใจกลัวเพิ่มความทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นในความสุขเกิดได้ไม่เฉพาะการมภูม์เท่านั้นพรหมในรูปประภูมิและอรูปรภูมิก็เช่นเดียวกันถึงแม้พรหมจะไม่มีกามาสุขเกี่ยวกับการได้เกรนลิ้มรสและ กระทบสัมผัสเพราะมีเพียงการเห็นและการได้ยินเท่านั้นแต่อารมณ์ของการเห็นและได้ยินก็ไม่เกี่ยวข้องกับกามรมและความสุขที่เกิดแก่พรมเป็นของประณีดละเอียดกว่ากามสุขทำให้บุคคลบำเพ็ญฌานเพื่อให้ไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยกามุปาทานสมดังที่กล่าวไว้ในคมภีวิสุทธิมักว่า บุคคลบางคนปรารถนาความสุขในพรหมโลกเพราะเชื่อว่าเป็นความสุขที่ดีเลิศยิ่งกว่ามนุษยโลกและเทวโลกดังนั้นความปรารถนาอารมณ์ที่น่าพอใจจึงเป็นต้นเหตุให้พวกเขาปฏิบัติเพื่อให้ได้รูปฌานและอรูปฌานสมบัติซึ่งทำให้ไปอุบัติในรูปภูมิและอรูปภูมิฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจ ที่มีคนคิดหรือพูดเกี่ยวกับกามสุขในพรหมภูมผู้ที่เข้าใจคำสอนของพระบรมศาสดาอย่างท่องแท้ย่อมจะไม่เข้าใจผิดเช่นนั้นแต่สำหรับผู้ที่ไม่รู้ความจริงหรือไม่ได้ศึกษาก็อาจเห็นคล้อยตามได้คัมภีร์อินเดียบางคัมภีร์กล่าวถึงพรหมว่าอยู่ร่วมกับภรรยาและบางคัมภีร์ถึงกับกล่าวว่า นิพพานเป็นนครแห่งหนึ่งบนสวงสวรรค์มีวิมานทิพย์ที่เราสามารถไปอยู่กับครอบครัวและบริวารได้กามุปาทานเป็นความทยานอยากที่แรงกล้าในที่นี้กามุปาทานไม่ได้หมายถึงตัญหาความทยานอยาก ในการมสุขที่มากเกินไปเท่านั้นหากแต่ยังหมายรวมถึงตัณหารูปตัณหาที่พอใจในรูปฌานที่พอใจในรูปฌานและรูปภพและตัณหาที่พอใจอรูปฌานและอรูปภพอีกด้วยดังนั้นในคมพีวิสุทธิมักจึงกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะสามารถกำจัดตัณหาที่แรงกล้าได้ ก็ต่อเมื่อบรรลุอริยมรรคชั้นสูงสุดคืออรหัตตมรรคเท่านั้นทั้งนี้เพราะตัณหาเป็นเหตุของความพยายามที่จะบำเพ็ญรูปฌานและอรูปฌานสำหรับปุุชนทั่วไปนั้นฌานมีความหมายถึงรูปฌานและอรูปฌานที่มีกา ร, รมตัญหาเป็นต้นเหตุอันชักนำให้อุบัติเกิดในรูปโภมหรืออรูปโภม และตั้งแต่ปฏิสนธิขณะเป็นต้นไปย่อมมีความชาราของรูปนามตามมาในทันทีแม้ความชาราของพรหมไม่ได้ปรากฏชัดเหมือนของมนุษย์แต่ก็นำไปสู่ความเสื่อมและเมื่อถึงการสิ้นอายุพรหมก็หนีไม่พ้นการจุติไปได้เนื่องจากพรหมหลุดพ้นแล้วจากความโกรธ ชีวิตของพรหมจึงไม่มีความเศร้าและความวิตกกังวลเป็นต้นและเพราะไม่มีกายยะภาษาทรูปพรหมจึงปราศจากความทุกข์กายแต่ยังไม่สามารถหลุดพ้นจากชาติชราและมรณะซึ่งเป็นสภาพที่มีอยู่ประจําของชีวิตในทุกภพภูมิดังนั้นจึงสรุปได้ว่าหากต้องการหลีกหนีจากชราและมรณะ เราจะต้องพยายามไม่ให้มีการเกิดและถ้าจะหลีกเลี่ยงการเกิดเราก็จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกระทำกรรมทั้งกรรมที่ดีและชั่วเมื่อจะกำจัดกรรมภพได้ก็ต้องกำจัดตัณหาและอุปทานก่อนในการนี้กระบวนการทางจิตจะต้องจบลงที่เวทนาเท่านั้นไม่พัฒนาต่อไปเป็นความปรารถนาใดๆทั้งสิ้น ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมระงับความปรารถนาไม่ให้เกิดขึ้นด้วยการกำหนดรู้เพื่อให้เห็นพระตรายลักษณ์และสรรพสิ่งที่มากระทบอายตนะอันเป็นวิธีเดียวที่จะหลีเกเลี่ยงไม่ให้เกิดตัณหาซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่เป็นต้นซึ่งจะนำไปสู่ชาราและมรณะตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทนี่คือการดับทุกข์ชั่วคราว เป็นตทงังฆาประหารและหากผู้ปฏิบัติธรรมบรรลุถึงวิปัสนาญาณในอริยมรรคก็จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงเป็นสมุดเชษะประหารทิฏฐุ ป, ปทานเป็นปัใจจัยให้เกิดภพใหม่ทิฏฐุ ป, ปทาน หมายความถึงความยึดมั่นความเห็นว่าพบหน้าไม่มีกรรมและผลกรรมไม่มีดังนั้นอุเชธททิทิที่เชื่อว่าเมื่อสัตว์ตายลงพบย่อมขาดศูนไปไม่มีการเกิดอีกจึงจัดเป็นทิฏฐุ ป, ปาทานบุคคลที่ยึดถือความเชื่อนี้จะไม่เห็นความจาเป็นที่จะต้องทำกรรมดีและละเว้นความชั่ว จึงไม่ทํากุศลเพื่อให้ได้รับสุขในภพหน้าแต่จะสแสวงหาความสุขในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้โดยไม่สนใจว่าจะเป็นการสแสวงหาที่ถูกต้องหรือไม่และเนื่องจากไม่คำนึงถึงศีลธรรมอันดีงามการกระทําของเขาจึงเป็นอกุศลกรรมเสียเป็นส่วนมากจึงจะปรากฏเป็นนิมิต ท, ที่ไม่ดีในขณะใกล้ตาย ชักนำให้เข้าไปปฏิสนธิในทุขติภูมิดังเช่นเรื่องนันทกะเปรกภายหลังพุทธะปรินิพานราวสองปีมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งพระนามว่าพระเจ้าปิงคละทรงปกครองแคว้นสุรัต t ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบริเวณที่เป็นกรุงบอมเบย์ทางตะวันตกของอินเดียในปัจจุบัน พระองค์มีเสนาบดีคนหนึ่งชื่อนันทกะเขาเป็นผู้ยึดมั่นมิจฉาทิฏฐิว่าการให้ทานเป็นต้นไม่มีประโยชน์เมื่อตายไปแล้วได้เกิดเป็นเวมานิกเปรตอาศัยอยู่ที่ต้นไซย่าในเทือกเขาวินทยะแต่เมื่อทิดาของเขาได้ถวายขนมและน้ำดื่มแด่พระภิกษุแล้วอุทิศส่วนกุศลให้เขาก็มีขนม และน้ำดื่มอันเป็นทิพย์อย่างเหลือเฟือทำให้เขาสำนึกผิดที่ได้ยึดมั่นมิจฉาทิฐิในชาติก่อนวันหนึ่งเขาได้บันดาลให้พระเจ้าปิงคละและอมาตข้าราชบริพารหลงทางมาที่วิมานของเขาแล้วได้ถวายขนมและน้ำดื่มแก่พระราชาอมาตตขาราชบริพารเมื่อพระเจ้าปิงคละได้ตรัสถาม นันทกะก็ได้เล่าเรื่องของตนในอดีตว่าเคยเป็นคนใจบาปมีมิจฉาทิฏฐิบริภาทสมณพปาามและห้ามปรามผู้คนที่ให้ทานเป็นต้นเมื่อตายลงจึงไปเกิดเป็นเปรตและเมื่อทิดาของตนได้อุทิศส่วนกุศลให้จึงมีความสุขสบายขึ้นแล้วนันทกะยังได้ทูลต่อไปว่าอีกหกเดือนต่อมา เขาก็จะสิ้นจากเบรดแล้วไปเกิดในสัตว์นรกเสวยทุกทรมานอย่างสาหาัสเนื่องจากความเห็นผิดของเขาข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือความยึดมั่นเห็นผิดเป็นเหตุให้กระทําอกุศลกรรมและชักนาให้เกิดในทุกติภูมิอันหนึ่งในคำพีอัตถกถาได้กล่าวไว้อีกว่าการยึดมั่นในอุเชธทธิฐิความเห็นผิดว่าพบขาดศูนย์ อาจชักนำให้ไปเกิดในเทวโลกหรือพรหมโลกได้หากเป็นการเชื่อ ว, ว่าพบจะขาดศูนย์เมื่อจุติจากเทวดาหรือพรหมแต่ความเห็นผิดข้างต้นไม่ค่อยพบในปัจจุบันส่วนใหญ่ความเชื่อ ว, ว่าพบขาดศูนย์มักจะทำให้บุคคลมีความโน้มเอียงไปในการทำชั่ว การกระทำกรรมอาจเกิดจากสัสตว์ตัทิฏฐิความเห็นผิดว่าพบเที่ยงซึ่งมีความเชื่อว่ามีอัตตาตัวตนที่เที่ยงแท้ถาวรเป็นผู้เสวยผลของกรรมดีและกรรมชั่วในภพต่อไปจึงขวนขวายทำสิ่งที่ตนเข้าใจว่าเป็นกรรมดีซึ่งความจริงอาจเป็นกรรมชั่วไปก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม หากเป็นการกระทำที่มีสั์สตทิฏฐิเป็นแรงจูงใจก็เป็นกรรมที่ให้ผลปฏิสนธิในภพใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกนอกจากนี้ยังมีเหตุให้ทำกรรมอีกเหตุหนึ่งคือความเชื่อเรื่องโชคลางอย่างงมงายไร้เหตุผลซึ่งมีอยู่มากมายเช่นเชื่อว่าการพบเห็นคนวันณะตตามทำให้อับโชค การมีพึ่งมาทำรังอยู่ที่บ้านหรือตัวเงินตัวทองเข้ามาในบ้านทำให้ยากจนเป็นต้นผู้ที่เชื่อดังกล่าวนี้มักจะกระทำความชั่วเช่นรังแกคนจันทานอย่างโหดร้ายหรือฆ่าพึ่งให้ตายเป็นต้นเช่นกันในเรื่องจิตตสัมภูตชาดกพระโพธิสัตว์ถือกําเนิดในวันณจันทานที่หมู่บ้านจันทาน ใกล้ประตูเมืองอุดเชนีมีนามว่าจิตตะพระอนอน์เกิดเป็นลูกผู้น้องชื่อว่าสัมพุตตะมานบทั้งสองหาเลี้ยงชีพด้วยการแสดงศิลปะวันหนึง่งทิดาเศรษฐีและทิดาพรามปุโรหิตซึ่งเป็นผู้เชื่อถือเรื่องโชคลางพร้อมด้วยบริวารได้นำอาหารและเครื่องดื่มเพื่อไปดื่มกินในอุทยาน ระหว่างทางได้เห็นมานบทั้งสองเข้าเมื่อทราบว่าเป็นจันทานก็คิดว่านี้เป็นลางร้ายจึงพาบริวารกลับบ้านเหล่าบริวารของนางทั้งสองจึงโกรธแค้นมานบทั้งสองที่ทำให้ต้องพลาดโอกาสที่จะได้กินเลี้ยงจึงช่วยกันทุบตีมานพบทั้งสองนั้นมานพบจันทานทั้งสองจึงปรึกษากันว่าพวกเราถูกทุบตีเพราะเกิดในวันณนะ จึงปลอมเพศเป็นพราหมณ์แล้วเดินทางไปศึกษาศิลปะวิทยาที่เมืองต ก, กะสีลาจิตตมานบเป็นผู้มีปัญญามากได้เป็นหัวหน้านักศึกษาวันหนึ่งอาจารย์ได้เชิญให้ไปสวดมนต์ที่บ้านของชาวบ้านคนหนึ่งอาจารย์จึงสั่งให้จิตตมานบพร้อมด้วยสิทธิ์คนอื่นๆไปสวดตามคาเชิญซ้ำภูตะมโนบได้ดื่มน้านมร้อนโดยไม่ได้ระวัง จึงถูกนมลวกปากเขาเพลอสติพูดเป็นภาษาจันทานว่าคลุคลุเมื่อจิตตามนบได้ยินดังนั้นไม่ทันตั้งสติก็ตอบไปว่านิคละนิฆละบ้วนบ้วนออกมาบ้วนออกมาความพลั้งเผลอนี้เป็นเหตุให้นักศึกษาที่เป็นพรามตะโกนสูงได้ทราบพื้นเพที่แท้จริงของมนบทั้งสอง จึงเข้าทุบตีและพากันขับออกจากสำนักเรียนเมื่อออกจากสำนักที่สาปามโมกแล้วมานพทั้งสองก็ได้ไปบวชเป็นลือสีอยู่ในป่าตามคำแนะนำของอาจารย์ต่อมาไม่นานก็จุดติแล้วไปเกิดเป็นกวางเมื่อตายจากกวางได้ไปเกิดเป็นนกเหยี่ยวหลังจากนั้นจิตตดาบทก็ได้เกิดเป็นบุทของพระมามปุโรหิต สามารถระลึกชาติได้ทั้งสีชาติเมื่อเจริญวัยเติบโตขึ้นก็ออกบวชเป็นฤาษีบำเพ็ญฌานอภิญญาอยู่ในป่าหิ ม, มพานต์ส่วนของสำพูตตดาบทเกิดเป็นราชโอรสสามารถระลึกชาติได้เฉพาะชาติที่เป็นจันฐานเท่านั้นต่อมาเมื่อพระชบิดาสวรรคตได้ขึ้นครองราชเป็นพระราชาและใช้เวลาให้หมดไปกับการแสวงหาการมรร เมื่อจิตตาดาบทได้ทราบด้วยญาณว่าพระเจ้าสัมโูตะเป็นผู้เพลิดเพลินในกามสุขก็ได้รออยู่จนกว่าผ่านไปได้50สปีจึงเหาะมาที่ราชอุทยานพระราชาทรงทราบว่าพระเลือีคือพี่ชายในชาติก่อนจึงเสด็จไปเพื่อเชิญให้ครองราชร่วมกันแต่เลือีมีปณิธานที่จะดำรงชีวิตสมณะที่สำรวมและและวาง เนื่องจากได้เห็นทั้งผลกรรมดีและกรรมชั่วจึงเตือนให้พระราชาทรงระลึกถึงอดีตชาติที่เคยเกิดเป็นคนจันทานกวางและนกเหยี่ยวเพื่อให้ทรงตรหนักถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและชวนให้พระราชาสละราชสมบัติออกผนวตแต่พระเจ้าสัมผูตะยังไม่สามารถตัดพระทัยจากราชสมบัติ และโลกิยสุขได้พระโพธิสัตว์จึงกลับไปยังป่าหิ ม, มาพานต์ตามเดิมต่อมาภายหลังพระราชาทรงเบื่อนายโลกิยสุขได้มอบราชสมบัติให้พระราชโอรสแล้วเสด็จออกผนวดเป็นฤาษีในป่ากับจิตตดาบทได้บำเพ็ญเพียรจนบรรลุฌานอภิญญาในการต่อมา